นามัตถุรัตนตยสั์แสงคบใต้แสงดวงไปแสงเดือนดวงแสงทั้งปวงปวงสีแสงแห่งโลกล่าส่องสว่าง กระจ่างแค่แต่กายาแสงปัญญาส่องสว่างถึงกลางใจถืงเสียเพชรเม็ดเื่อนเครื่องเงินทองเสียบ้านช่องเสียสิ่งของมากเพียงไหนมีปัญญาอาจหาทรัพย์ได้ดังใจ เสื่อมปัญญาเมื่อใดใจมืดมนแสงดวงดาวสุกสกลพรานภาแสงจันทราเจิดจระประพสศแสงสุริยาสว่างเหลือเหนือจันทนพระชินวรว่าไม่แรงเท่าแสงธรรม ปัญญายะบริสุทธิชติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาสุตสูสังพล ะ, ะเตปัญญาผู้ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านวันนี้ธรรมภาพาจะนำเรื่องราวชีวประวัติของพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งอาตมาฟัง แล้วมีสติเตือนใจมากหลายอย่างที่ฟังแล้วเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาประทับใจในบางช่วงบางวักบางตอนท่านเล่าถึงประวัติของท่านแต่มาฟังจากวนเทพแล้วปรากฏว่านั่งซือก็มีด้วย เมื่อฟังแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความประทับใจในส่วนใดก็ต้องการให้ผู้สนใจฝ่ายธรรมได้ฟังด้วยเทปสุดนี้ชื่อเรื่องว่าธรรมธาราต้องการนํามาให้โยมท่านได้ฟังด้วยฉะนั้นถ้าผู้สนใจฝ่ายธรรมได้ยินอาตมาพูดว่าอาตมาอาตมานั้นคือไม่ใช่ผู้พูด แต่เป็นเจ้าของประวัติเป็นเจ้าของเรื่องนะนง่เป็นเจ้าของเรื่องใช้นามปากกาว่าธรรมโคดใช้นามปากกาว่าธรรมโคดผู้เขียนหนังสือนี้นง่จึงขอให้โยมทุกท่านทราบตามนี้ด้วยดําเนินเรื่องต่อไปว่าคราวหนึ่ง เมื่ออาตมาไปพักจำพรรษาอยู่ที่อารามเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมชำนาญซึ่งได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปถากตลอดพรรษานั้นเกิดความสนใจในชีวิตของอตาตมาและปราระว่าถ้าได้เขียนเล่าสู่คนอื่นฟังอาจจะเป็นประโยชน์กว้างขวางขึ้นจึงได้รัตนาให้อตาตมาเขียนบรรยายชีวิตของตนให้เป็นันตอน เพื่อจะได้นำลงในหนังสือพิมพ์ชาวพุทธของพุทธนิยมเชียงใหม่อาตมาได้ตอบคุณโยมผู้มีเจตนาดีไปว่าอาตมาไม่มีฝีมือในทางขีดขีดเขียนเขียนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสำนวนงนักประพันธ์ทั้งหลายถ้าจะให้เขียนก็คงเขียนได้แต่แบบบรรยายเล่าเรื่องตามธรรมดา ยิ่งกว่านำชีวิตของอาตมาส่วนใหญ่ก็เป็นชีวิตเรียบๆไม่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นโลดโผนอะไรเกรนว่าจะเป็นเรื่องจืดชืดไม่เป็นที่สนใจของผู้อา่านคุณโยมก็ตอบว่าไม่เป็นไรขอให้ลองเขียนดูก็แล้วกันในที่สุดอาตมาก็ตัดสินใจว่าจะลองดูดังนั้นในเวลาว่าง จากการบำเพ็ญสาธารณธรรมจึงจับกระดาษดินสอขึ้นมาเขียนวันละเล็กละน้อยจนสามารถเขียนสำเร็จเดือนละหนึ่งตอนแล้วก็ให้เขานำไปลงนังสือพิมพ์ชาวพุทธหลังจากลงไปได้หลายตอนก็ปรากฏว่ามีคนนิยมชมชอบอยู่บ้างสังเกตได้จากการมีคนเขียนจดหมายมาชมหลายคน บางคนก็ชมว่าท่านผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้ทันสมัยสามารถอธิบายพุทธธรรมได้อย่างจำแจ้งเข้าใจง่ายทุกแง่ทุกมุมบางคนถึงกับลงทุนเดินทางไปสนทนาด้วยเมื่อเห็นว่าเรื่องของตนมีประโยชน์อตมาจึงตั้งใจเขียนติดต่อกันไปแต่เป็นการเขียนอย่างไม่มีโครงเรื่องหรือพลอไว้ลงหน้า เขียนไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดประสงค์สาคัญก็เพื่อบรรยายหลักธรรมมุ่งให้ผู้อ่านเกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องในพระพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นจากโครงเรื่องอย่างนวันิยายทั้นหลายแต่อย่างใดเรื่องนี้ยังไม่จนและอาจจะไม่จบได้ง่ายๆจนกว่าชีวิตของอาตมาจะจบลง เนื่องจากชีวิตของอาตมาเปรียบเหมือนการเดินทางไปในป่าอย่างไม่มีจุดหมายใดๆล่งหน้าได้ประสบพบเห็นสิ่งใดในระหว่างทางก็นำมาเล่าสู่กันฟังหากจะมีคุณความดีใดๆเกิดขึ้นจากทำนิยายเรื่องนี้อาตมาขอทิศแกโยมบิดาผู้ลวงลับไปแล้วหากท่านได้กำหนดในทุกขติขอให้ท่านจงพ้นจากทุกขตินั้นโดยผล หากท่านได้คำเดิดในสุคติขอให้สวยที่พระุข์ในสุคตินั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปลงนามธรรมโคดในฐานะพระธุดงค์ผู้สละแล้วซึ่งโลกีอาตมาสภายบาดและแบกกรดท่องเที่ยวไปจนจบด้าวแดนไทยท่องเที่ยวไปยังอิสระเสรี ดุจนกน้อยที่บินไปในท้องนภาากาศดุจมัจฉาชาติที่แหวกวายไปในสมุทรสาครบ้านน้อยเมืองใหญ่นับจำนวนไม่ถ้วนอัตมาผ่านมาแล้วแต่สำหรับอัตมาไม่มีสถานใดน่ารื่นรมเท่าขุนเขาลำเนาไพรอันห่างไกลาจากมนุษย์และแสงสีแห่งอริยธรรมร่มเงาอันเยืยกเย็นแห่งชะโงกหินและรุกขชาตในป่า ดูหน้าอยู่อาศัยไม่แพ้ครุหัสอันโอทโงเสียงน้ำไหลเสา ะ, ะหินและเสียงกระดิร้องของจักรจันเรไรฟังไพร์ลไม่แพ้เสียงเพลงคลอด้วยดนตรีของชาวเมืองแสงเดือนดาวในท้องฟ้าดูเย็นตาหน้าชมไม่แพ้แสงไฟหลากสีในนครหลวงมวนสัตว์สี่เทาสองเท้า คือมวลสัตว์จตุบทวิบาทในไพรถ้าเราครบกับมันด้วยเมตตารรมอันบริสุทธิ์ดูหน้าคบไม่แพ้มนุษย์ผู้เจริญด้วยวัฒนธรรมและอารยาธรรมอัตมาท่องเที่ยวไปด้วยจิตใจอันร่าเริงดุดนกน้อยที่เพ่งหลุดจักกรงขังโดยตัวอันเบาดุดปุยฝ้ายที่ลอยไปในอากาศเพราะภาระอันหนักต่างอัตมาได้ปลงลงแล้ว ทับสมบัติที่ตมายัางต้องดูแลมีเพียงอัถบริขารของภิษุบุคคลผู้ยังต้องเลี้ยนดูก็คือขันห้าของตนเองงานที่ยังต้องทำก็คือดับเพลิงกิเลสโลกทั้งโลกคือบ้านของอัตมาแผ่นดินเป็นพื้นป่าเขาเป็นฝาผนังท้องฟ้าเป็นหลังคามวลดาราเป็นดวงไฟ อาตามาท่องเที่ยวไปโดยไม่คิดถึงข้างหลังไม่คำนึงถึงข้างหน้าค่าที่หมู่บ้านไหนก็ปรากฏพักผ่อนที่บ้านนั้นรุ่งเช้าเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านได้พัตนาหารพอหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปแล้วก็กลับออกมาฉันถ้ามีญาติโยมตามไปทําบุญก็เทศนาสั่งสอนเขาให้ตั้งโยนในสัมาปฏิบัติ ถ้าเป็นหมู่บ้านไม่มีวัดและชาวบ้านนิมนต์ให้อยู่โปรดเขานานๆก็อยู่อนุเคราะห์เขาแต่ไม่เคยอยู่ที่ใดเกินเจ็ดวันครบกำหนดแล้วก็สะพายบาทแบบกรดเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงฤดูฝนฝนเริ่มตกหนักหนทางไปมาลำบากพื้นแผ่นดินเกลื่อนกลวนไปด้วยมดไข้ป่าเริ่มกระจายจึงอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเหมาะแก่พิกคาจาร์และการบำเพ็ญเพียรตลอดระยะทางและการเวลาอันยาวนานที่ได้ท่องเที่ยวทุดงมาอาตมาได้ประสบกับบุคคลสถานที่และเหตุการณ์มากมายเหลือคานาทั้งส่วนที่เป็นอิทารลมน่าใคร่น่าพอใจและอนิธารลมที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจถ้าจะนำมาบรรยายให้หมดสิ้นจะไม่ได้เป็นเล่มหนังสือ แต่จะได้เป็นตู้หนังสือทีเดียวเนื่องจากความจำก็เป็นอนิจจังประกอบกับไม่ได้เอาใจใส่จดจำเรื่องราวส่วนมากก็เลือนหายไปยังคงอยู่ในความทรงจำเพียงบางเรื่องที่สำคัญถ้าสำนวนโวหารขัดหูด้วยผิดจากภาษาในยงก็ขออภัยเพราะอาตมาไม่ใช่นักเขียนขอคุณโยมโปรดเน่ยโสด คือโหทั้งสองคอยสะดับต่อไปเถิดสมัยหนึ่งอาตมาเดินทดองรอนแรมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่และได้ปรหยุดพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพบริเวณอารามร่มครึ้มด้วยพันไม้นานาชนิดมีระยะห่างจากหมู่บ้านพอประมาณบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การทำความเพี่ยนมีพระภิกษุอยู่น้อยทุกองค์มีสีลาจารวัตน่าเลื่อมใสและดำเนินตามมุคคาสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเช่นเดียวกับอาตมาเป็นอารามที่น่ารื่นรมที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่อาตมาเคยผ่านมาท่ามกลางอารามมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำใสยเย็นขังตลอดตีแวดล้อมด้วยต้นไม้ใบหนาดูงดัตถงามคล้ายสักอโนดาษที่ป่าหม า, านตุกทุกเวลาบ่ายอาตมาชอบไปนั่งบนแคร่มไม้ไผ่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งสะมองดูระลอกน้ำที่วิ่งเข้ากระทบฝั่งแล้วหายไปพลางเปรียบเทียบกับชีวิตของตน ตามวิธีที่พระอาจารย์สั่งสอนมาชีวิตของเราเปรียบเหมือนคลื่นการเวลาเปรียบเหมือนลมที่ไล่ต้อนคลื่นเข้ากระทบฝั่งชีวิตนี้ก็เช่นกันความแก่ความชราไล่ต้อนสู่ความตายเหมือนลมที่ไล่ต้อนคลื่นน้าเข้ากระทบฝั่งแล้วหายไปในวันเสาร์และอาทิตย์หนุ่มสาวชาวเมืองชอบไปเที่ยวที่อารามนี้ บางหมู่ก็กล้าพอที่จะเข้ามาสนทนากับอาตมาเมื่อเห็นอาตมานั่งอยู่บนแคร่ริมสระนม้มแต่ที่มุ่งสนทนาหาความรู้ความเข้าใจในพระธรรมจริงๆนั้นมีน้อยส่วนมากมุ่งมาขอเลขท้ายและเครื่องรางของขลังวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาอาตมาเมื่อนั่งลงกราบเรียบร้อยแล้วก็เอ่ยปากขอเลขท้าย อาตมาถามเขาว่าโยมต้องการเลขท้ายกี่ตัวเขาก็ตอบด้วยใบหน้ายิ้มกลิมแสดงความหวังว่ากี่ตัวก็ได้แล้วแต่ท่านจะโปรดสองตัวหรือสามตัวก็ได้ครับอาตมาถามว่าโยมงเคยซื้อมาบ้างหรือยังแล้วก็เคยถูกบ้างไหมผมเล่นมานานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยถูกเลย ถ้าท่านการาณาให้ตัวแน่ๆสักครั้งผมจะลงทุนเล่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะเลิกลากันเสียทีอาตมาจะให้ตัวที่แน่ที่สุดและจะให้ถึงสี่ตัวด้วยชายคนนั้นก้มลงกราบอาตมาด้วยความดีใจและขอบคุณอย่างเห็นได้ชัดพลางพูดออกมาได้เสียงสั่นเครือว่า ขอได้โปรดเธอจะตระคุณแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณเลยตลอดชาติแต่ก่อนอื่นโยมจะต้องให้สัญญาแกอตมาก่อนว่าจะปฏิบัติตามคําของอตมาทุกอย่างจะต้องไม่โต้เถียงหรือขัดแย้งคําพูดของอตมาถ้าโยมให้สัญญาได้อตมาขอรับรองว่ายมจะรวยอย่างแน่นอน ผมยินดีให้คำมั่นสัญญาแก่ท่านทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกเดี๋ยวนี้แหละเลขสี่ตัวนี้ไม่ใช่เลขของอาตมาเองแต่เป็นเลขที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้มีคนเป็ น, นมากเชื่อพระองค์แล้วก็ทำตามได้ประสบความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาตลอด 2,500 กว่าปี ดันใจจําให้ดีอาตามาจะบอกเร็วนี้แหละเลขตัวที่หนึ่งมีชื่อว่าอุท ธ, ธานสัมปทาแปลว่ามีความหมั่นขยันหาทรัพย์ไม่เกียจคร้านสงเลขตัวที่สองมีชื่อว่าอารักษสัมปทาแปลว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่หาได้มาแล้ว เลขตัวที่สามมีชื่อว่าสมชีวิตาแปลว่ารู้จัดครองชีวิตตามสมควรแก่ฐานะอย่าเป็นผู้ใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายเกินควรเกินฐานะเลขตัวที่สี่มีชื่อว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่าให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าคบเพื่อนที่เป็นนักเลงการพนันเป็นนักเลงสุรานักเลงเที่ยวกลางคืนคืออย่าคบคนชั่วเป็นมิตร เพราะคนชั่วที่มาเป็นมิดนั้นจะทํำลายทรัพย์สมบัติจะเป็นทางแห่งความเสื่อมจากทรัพย์จากสมบัติทั้งหลายขอให้โยมจําเลขสี่ตัวนี้ไว้แล้วนําไปปฏิบัติตามถ้าไม่ร่ํารวยในเวลาห้าปีค่อยกลับมาต่อว่าอาตมาชายคนนั้นจ้างดูอาตมาด้วยดวงตา ม, มีแววประหลาดอยู่เป็นเวลานานก้มลงกระปอาตมาเพียงครั้งเดียวแล้วลุกขึ้น เดินจากไปโดยไม่พูดจากเขาคงรู้สึกผิดหวังอย่างมากเมื่อเขาหายลับแนวป่าไปแล้วอาตมารู้สึกสงสารเขาเหมือนกันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อาตมารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ของพระภิกษุไปอย่างถูกต้องแล้วเพราะพระภิกษุไม่มีหน้าที่จะไปส่งเสริมการผนัน มีแต่จะชักนำผู้กำลังลุ่มลงเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องตามพระพุทธพจน์อันหนึ่งเล่าเลขสี่ตัวที่ตมาบอกก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระถ้าเขาปฏิบัติ ต, ตามได้อย่างเคร่งครัดเขาจะร่ำรวยแน่นอนยิ่งกว่าการเสี่ยงโชคอันไม่แน่นอนทางการพนันเสียอีกหลังจากเหตุการณ์เล็กน้อยนั้นมาประมาณสี่ถึงห้าวัน ขณะที่ตมานั่งวิจารณ์ทำข้อใดข้อหนึ่งอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้านั่นเองก็สังเกตเห็นชายญินคุนหนึ่งเดินตรงมาทางอตมาเมื่อเขาเข้ามาในระยะใกล้พอสมควรก็จําได้ว่าเขาคือชายคนที่มาขอเลขท้ายเมื่อสี่ห้าวันก่อนนั่นเองรู้สึกประหลาดใจอยู่คลามคันว่าทำไมเขาจึงกลับมาอีก สัญชาตยานเดิมทําให้คิดไปว่าเขาอาจจะมาทําร้ายด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ไม่ได้หวันวิตกแต่อย่างไรเพราะข้าที่เชื่อมั่นในหลักธรรมคนเราหากไม่ได้เป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาแต่ชาติปางก่อนย่อมจะทําลายล้างผลานกันไม่ได้ง่ายนะถ้าหากเขาจะมาด้วยเจตนาร้ายหมายสังหารัตมาจริงก็เป็นการดี เพราะจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายใช้นิ้กำเวนกันให้เสร็จสิ้นไปเิดสีอย่างนี้ก็นั่งคอยเข้าอยู่ที่เดิมด้วยใจสงบเข่าทั้งสองนั่งลงข้างหน้าอัตมากราบอย่างประนีตแล้วชายผู้เป็นสามีพูดขึ้นว่าท่านครับผมพาภรยามากราบขอบคุณท่านอั ต, ตมาถามอย่างง ง, งงว่าขอบคุณเรื่องอะไรเรือ่อย ฝ่ายภรรยาเป็นผูต้ตอบว่าเรื่องที่ท่านกรุณาให้เลขท้ายแก่สามีของดิฉันยังไงล่ะคะวันนั้นพอได้เลขจากท่านคุณพี่ก็กลับไปซื้อเลขสองสามสี่เขามั่นใจมากมีอยู่เท่าไหร่รวบรวมซื้อทั้งหมดแล้วก็ถูกซื้อด้วยคราวนี้เราได้ร่วมแสนทำเอาเจ้ามือแทบสิ้นเนื้อประดาตัวไปทีเดียว ผู้ฝ่าธรรมทุกท่านคํามาร่วมแสนในสมัยที่แล้วมาคือ 2,500 ปีในพศ 2,501 ปีมีค่ามากพอสมควรนะพอได้ข่าวอันไม่คาดฝันมาก่อนนี้อาตมาทั้งรู้สึกประหลาดใจทั้งขำทั้งไม่สบายใจระคนกัน เวลาใจต่อเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขำต่อความไม่แน่นอนในโชคชะตาของมนุษย์และไม่สบายใจที่เหตุการณ์ผิดไปจากความตั้งใจอันแท้จริงของตนคนทั้งสองคงจะไปบอกใครต่อใครว่าร่ำรวยเพราะอาตมาแล้วคนอื่นๆก็จะลังลหลมาขอบ้างอาตมาก็จะกลายเป็นพระอาจารย์ผู้มีชื่อในทางหวยเบอร์เมื่อเป็นเช่นนั้น อาตมาจะเอาเวลาที่ไหนมาบำเพ็ญเพียรเพื่อดับทุกข์เพื่อดับเพลิงกิเลสอาตมาเห็นจะต้องหนีไปอยู่ที่อื่นด้วยความเสียดายเพราะอาตมาชอบอารามนี้เหลือเกินตั้งใจจะอยู่พักผ่อนทาความเพียรนันนา น, านอีกทั้งผลการปฏิบัติก็กำลังก้าวหน้าด้วยอาตมาถามโยมว่าโยมได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้างหรือ ย, ยัง ยังครับก็ทำให้ตมารู้สึกเบาใจขึ้นโยมจะช่วยตมาอะไรสักอย่างได้ไหมได้ครับขอนนมมลบอกมาเถิดผมยินดีช่วยทุกอย่างเพื่อสนองพระคุณของท่านขอให้โยมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกใครเป็นอันขาดนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งขอให้โยมเลิกเล่นสลากกินรวบอย่างเด็ดขาด อาตมาขอร้องสองอย่างเท่านี้โยมจะรับรองได้ไหมว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกประกาศเพราะผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะนําเงินจํานวนนี้ไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วก็ปลูกลําไยไว้สักร้อยสองรอต้นส่วนที่เหลือก็จะนําไปลงทุนตั้งร้านขายของเล็กๆ น, น้อยๆพอเลี้ยงชีพไปก่อน ในเวลาเดียวกันก็พยายามเก็บหอมรอมริบเมื่อมีทุนมากขึ้นค่อยคิดขยับขยายกิจการภายหลังอาตมาพูดด้วยความโล่งใจว่าตนความดำริที่ชอบแล้วขอให้โยมตั้งใจประกอบอาชีพตามหลักเลขสี่ตัวที่ตา ม, มาเคยบอกและขอให้เจริญสุขในโลกียวิสัยเถิด สองสามีภรรยายกมือไหว้พลางกล่าวคำว่าสาทุพร้อมกัดเสร็จแล้วฝ่ายภรรยา ย, ยึดห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาจากกระเป๋าพลางกล่าวว่าเพื่อสนองบุญคุณของท่านเราได้ตกลงกันว่าจะถวายเงินแก่ท่านเป็นจำนวนพันบาทขอนิ้อมนท่านรับไว้ด้วยว่าแล้วก็หยิบห่อกระดาษส่งให้ตาห ม, มา โยมโยมวางไว้บนพื้นนั้นก่อนเถิดอาตมาเป็นพระภิกษุรับเงินทองไม่ได้อาตมาเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองด้วยอาตมาอยู่ตัวคนเดียวในโลกอาหารวันละหนึ่งมื้อพอกันตายจีวรสามผืนพอป้องกันร้อนหนาวเพียงพอแล้วสำหรับอาตมาแต่ถ้าโยมมีกุศลเจตนาใครจะทาบุญด้วยเงินจานว น, นนี้ ก็จงนำไปถวายสมทบทุนมูลิธิของวัดเถิดเงินของโยมจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างกว้างขวางและเป็นเวลานานโยมจะได้บุญมากยิ่งกว่าถวายให้ตามาองค์เดียวผมจะไปปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านและแล้วในที่สุดทั้งสองก็กราบลาไป นั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของอาตมางานดับเพลิงกิเลสของอาตมาที่อารามเึิงดอยสุเทพดำเนินไปอย่างราบรื่นอาตมาตื่นจากการจำวัดในเวลาสี่นาฬิกาแล้วก็แปลงฝันหลังหน้าเสร็จแล้วเข้าห้องไหว้พระสวดมนต์ แผรส่วนกุศลแกม่มารดาบิดาครูอาจารย์และสตานิกายทุกหมู่เหล่าในสามภพวเวลาประมาณสี่นาฬิกาสามสิบนาทีครองจีวอนออกไปเดินจงกรมบนทางจงกรมระหว่างต้นศัก2์สองต้นมือทั้งสองประสานกันไว้ข้างหน้าทอดสายตาชั่วสี่อกเดินช้าๆกลับไปกลับมาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิ ตั้นสติไว้ที่กิริยายกเท้าก้าวเดินทุกระยะเวลาประมาณห้านาฬิกาหยุดเดินจงกรมไปนั่งพักผ่อนอิริยาบถ ท, ที่เฉลียงหน้ากุฏิที่พักขณะที่นั่งก็พยายามหยิบยกเอาทาข้อใดข้อหนึ่งมาคิดพิจรารณาจนกระทั่งแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเบื้องบุรรพาทิตบรรยากาศในอาราม เริ่มอึงอนด้วยเสียงนกเสียงกาที่ตื่นขึ้นเรียกร้องการออกหากินอาตมาจึงเข้าห้องเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เป็นระเบียบกวาดถูพื้นห้องและบริเวณกุฏิให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นถ้าอากาศไม่หนาวเกินไปก็ส่งน้ำชำระกายเมื่อรู้สึกปลอดโปร่งสบายกายสบายใจแล้วก็ครองจีวรสอ น, อนสังาติหยิบเอาบาตมาสะพาย แล้วก็ออกเดินบินทบาทตามหมู่บ้านที่เรียงรายอยู่รอบๆ อ, อ, อารามด้านตะวันออกเมื่อได้พัฒตาหารพอสมควรแล้วก็กลับอ า, ารามนั่งพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วก็ลงมือฉันโดยเปิดห อ, อ ก, กับข้าวต่างๆเทลงในบาทเสร็จแล้วสำรวมจิตคิดว่าเราจะบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ และอยู่เพื่อทำความดีทั้งแก่ตนและคนอื่นจากไม่บริโภคเพื่อความอริเออรอร่อยเพื่อสนุกสนานหรือเพื่อบํารุงการให้เปล่งปลั่งงดงามจากบริโภคอาหารเพื่อแก้โรคหิวเช่นเดียวกับคนป่วยบริโภคยาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ลงมือฉันด้วยอาการสำรวม ชันเสร็จแล้วนำเศษอาหารที่เหลือไปเทให้สุนัขสองตัวซึ่งมานั่งคอยรับเศษอาหารอยู่เป็นประจำทุกเชา้าล้างบาทเช็ดบาทเทและล้างกระถนแก้วน้ำช้อนซ่อมเก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็นั่งสำรวมจิตอทิพ่วนกุศลแก่ชาวบ้านผู้ให้ทานและอํานวยพรให้เขามีความสุขในโลกียวิสัย เป็นปัจจัยสู่โลกุตตรธรรมกว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยก็ย่างเข้าสุดนาฬิกาหลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการอ่านหนังสือธรรมะบ้างหนังสือวิทยาการและสารคดีทางโลกบ้างเพื่อประดับความรู้จนถึงสุดสามนาฬิกาจึงหยุดพักผ่อนจำวัดกลางวัน ก่อนจะเข้าที่จำวัดก็กำหนดหมายในใจว่าจะลุกขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงพอถึงสิบสีนาฬิกาตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วไปนั่งที่แค่ใต้ต้นไม้ริมอ่างเก็บน้ำอ่านหนังสือบ้างพิจารณาธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างเขียนบันทึกความคิดใหม่ๆที่เกิดจากการวิจารณธรรมลงในสมุดส่วนตัวบ้างสนทนากับแขกที่มาหาบ้าง จนถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาหลังจากนั้นกลับกุฏิน้อยที่พักปัดกวาดบริเวณกุฏิด้วยคราดเช็ดถูพื้นกุฏิตักน้ำฉันน้ำใช้ใส่ตุ่มแล้วก็ส่งน้ำชำระกายจนถึงเวลาสิบเก้านาฬิกาจึงครองจีวอนไปนั่งสนทนาธรรมกับเพื่อนภิกษุที่กุฏิอื่นประมาณ2ี่สิบนาฬิกากลับกุฏิ แล้วเดินจำกรมเป็นเวลาประมาณสามสถึงสี่สิบนาทีแล้วจึงนั่งพักผ่อนที่เฉลียงเมื่อหายเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าสู่กุฏิปิดประตูนั่งเข้าที่เจริญสมถ ก, กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจนิถึงเวลาประมาณยี่สิบสองนิกาจึงไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็น เสร็จแล้วสำรวมจิตใจสำรวจดูการประพฤติปฏิบัติของตนตั้งแต่ขณะที่ตื่นขึ้ น, นครั้งแรกจนถึงเวลานั้นว่ามีอะไรผิดพลาดบกพร่องบ้างทั้งในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการรักษาพระวินยัยและการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจถ้าพบข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็ตั้งใจใหม่ว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นในวันต่อไป ถ้าพบว่าตนปฏิบัติได้บริบูรณ์ดีขึ้นก็เกิดปีติตั้งใจแผ่ส่วนกุศลอันเกิดจากความดีนั้นแก่มารดาบิดาครูอาจารย์และสัตวนิกายทุกหมู่เหล่าแล้วก็เอนกายลงนอนด้วยความตั้งใจว่าจะลุกขึ้นในเวลาสี่นาฬิกาอามาปฏิบัติเช่นนี้วันแล้ววันเล่า รู้สึกมีความสงบสุขทั้งกายใจในด้านร่างกายไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนในด้านจิตใจก็มีความสงบสุขมากขึ้นเป็นความสุขเยือกเย็นลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิตนี้กระมังคือนิราศมิสุขที่พระอริยเจ้าสัสืบในด้านการสั่งสอนผู้อื่นอาตมาก็ทำเท่าที่โอกาสจะอำนวย เช่นบ่ายวันหนึ่งขณะที่นั่งอ่านนังสืออยู่บนแคร่ริมน้ำได้มีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งเข้ามาหาอาตมาทั้งสองคนสวมเสื้อเชิดลายเกะกะบาดตาใส่กางเกงรัดรูปจนแทบนั่งพระเพียบไม่ได้ฝ่ายชายไว้ผมยาวฝ่ายหญิงตัดผมสั้น จนมองแทบไม่ออกว่าใครเป็นชายใครเป็นหญิงอาตมาไม่ได้เอาใจใส่กับเสื้อผ้าแพรพันของเขามากนะักคิดเสียว่าการแต่งตัวของคนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแสโลกเป็นธรรมดามีแต่การแต่งตัวของพระภิกษุเท่านั้นที่คงอยู่อย่างเดิมตลอดเวลากว่า 2,500 ปีชายหนุ่มเอ่ยถามขึ้นหลังจากนั่งลงยกมือไหว้ ว่าท่านครับท่านมีของดีป้องกันตัวบ้างไหมอาตมาตอบสั้นๆว่ามีคอนาให้ผมกับแฟนผมไว้ใช้บ้างจะได้ไหมครับเขาพูดพลางชำเลืองตาไปทางหญิงสาวซึ่งนั่งพลิกกลับไปกลับมาด้วยความลำบากอาตมาตอบว่า ให้ก็ได้แต่เกรงว่าโยมจะไม่รับอาตมาตอบใช้คำแทนชื่อว่าโยมซึ่งอาจจะฟังไม่สนิทหูนักเมื่อนามาใช้กับเด็กหนุ่มฉะนั้นแต่ตามาได้ใช้คำว่าโยมกับคนทุกเพศทุกวัยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วจำได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่อุปสมบททีเดียวจึงไม่เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่อย่างใด เขาตอบด้วยสมเนียงแสดงความสงสัยว่ารับสิครับทำไมจะไม่รับถ้าท่านให้แต่โยมก็ยังไม่ทราบว่าของดีที่อาตมาใช้ป้องกันตัวคืออะไรถ้าทราบบางทีโยมอาจจะไม่อยากได้อาตามาจะบอกให้ก็ได้ของดีที่อาตมาใช้ป้องกันตัวนั้นคืออะไรนี่ไงล่ะ ที่ตมาใช้ป้องกันตัวอตอมาเอามือจับชายเจีบอนยกลให้เขาดูชายหนุ่มหญิงสาวหัวเราะขึ้นคิดคักพร้อมกันโยมอาจจะเข้าใจว่าตมาพูดเล่นแต่ตมาพูดเล่นไม่เป็นนี่แหละคือกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่กราะธรรมดาแต่เป็นกราะที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้กว่าสองพันรอยกว่าปีมาแล้ว ผู้ใดใช้เกราะนี้ป้องกันตัวผู้นั้นไม่เพียงแต่ปลอดภัยแคล้วคลาดจากกระสุนปืนและค่มหอค่มดาบอย่างเดียวยังได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนอีก ด, ด้วยถ้าโยมใส่เสื้อเกราะธรรมดาเดินเข้าไปในเมืองคนเห็นเข้าอาจจะเกิดความกลัวบางคนอาจจะรังเกียจบางคนอาจจะเห็นเป็นของขำแต่ถ้าใส่เสื้อเกราะของพระพุทธเจ้าทุกคนที่เห็นเข้าจะทราบทันทีว่านั่นคือธง แห่งพระอริยะเครื่องหมายแห่งผู้สงบความบริสุทธิ์สะอาดอย่างปกติเขาจะเกิดความเคารพนับถือในยามคับขันเขาจะเกิดความอบอุ่นใจเมื่อได้พบเห็นถ้าโยมใส่เสื้อกราะธรรมดาโยมอาจจะต้องซื้ออาหารรับประทานเองแต่ถ้าโยมใส่เสื้อกราะนี้จะมีคนนําอาหารมาถวายพร้อมยกมือไหว้โยมเห็นหรือยังว่าเสื้อเกราะนี้ดีอย่างไร เห็นแล้วครับชายหน Normally, hitting, ่มตอบยิ้มยิ้มแต่ผมเห็นจะไม่รับละครับเพราะผมยังไม่อยากบวชของป้องกันตัวอย่างอื่นเช่นพระเครื่องรางท่านไม่มีบ้างหรือครับผมต้องการชนิดนั้นมากกว่าพระเครื่องรางอาตมาก็มีแต่ที่ตามามีอยู่เป็นพระแท้ไม่ใช่พระเทียมถ้าโยมต้องการพระแทนตามาก็พอจะให้ได้ แต่ถ้าจะเอาพระเทียมเห็นจะต้องไปหาที่อื่นหญิงสาวเอ่ยขึ้นบ้างหลังจากเงียบมานานว่าก็เอาพระแท้สิคะพระเทียมพระรลอมเอาไปทำไหมเธอแสดงอาการไม่พอใจในความเยื่นเยอะของตมาเล็กน้อยชายหนุ่มเสริมว่าครับเราต้องการพระแท้ อาตมาถามดูก่อนเพื่อความแน่ใจเพราะมีคนเป็นอันมากที่มาหาตมาเพื่อขอพระเทียมขณะอาตมาให้พระแท้ก็ไม่พอใจจะขอเปลี่ยนเอาพระเทียมให้ได้พอมาถึงตอนนี้อาตมาสังเกตเห็นสองหนุ่มสาวมองหน้ากันด้วยดวงตาและท่าทางแสดงความประหลาดใจแล้วชายหนุ่มก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นว่ารู้สึกว่าคําพูดของท่านเต็มไปด้วยเล็ดใน ผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านจะมาไม้ไหนบางทีอาจจะถูกท่านหลอกอย่างเรื่องจีวรเมื่อกี้นี้ก็ได้อาตมาเกิดความไม่พอใจเล็กน้อยที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงแต่เพราะมีปกติเพ่งดูจิตของตอนอยู่เสมอด้วยจิตตานุปัสนากรรมฐานจึงระงับยับยั้งความไม่พอใจนั้นได้สกดใจแผ่เมตตาแก่ชายหนุ่มแล้วพูดขึ้นช้า อาตมาอยู่ในป่ามานานพอที่จะได้รับบทเรียนจากต้นไม้ขอให้โยมมองดูใบไม้เหล่านี้เถิดมันจะไม่ร่วงหล่นเมาะอลงมาเลยนอกจากว่ามันจะแก่ขอที่จะร่วงหล่นได้มันจะไม่ร่วงหล่นเลยถ้าเหตุปัจจัยไม่อำหนวยที่จะหล่นคำพูดของอาตมาก็เช่นเดียวกันจะไม่มีคำใดร่วงหลุดออกมาจากปากนอกจากจะเป็นความจริง อาตอมาเลิกพูดคำเลวไหลคำลวงมาตั้งแต่วันแรกที่ตามาบวชเมื่อแปดปีมาแล้วผมขอโทษครับถ้าผมเผลอใช้ถ้อยคำรุนแรงไปชายหนุ่มกล่าวอย่างหน้าเจนเจนพลางยกมือไหว้เพื่อไม่ให้มีปัญหา ใ, ใดๆผมขอเรียนเสียเลยว่าผมต้องการพระเครื่องรางชนิดที่เขาใช้แขวนคอกันอยู่ทั่วไปท่านคงรู้จักดี ยอมยมเคยได้ยินคำว่าพระปฏิมาไหมเคยครับโยมทราบหรือเปล่าคำว่าปฏิมาแปลว่าอะไรไม่ทราบครับคำว่าปฏิมาเป็นภาษาบาลีแปลว่าเทียมหรือปลอมไม่ใช่แท้พระปฏิมาก็คือพระเทียมพระปลอม พระใหญ่น้อยที่เขาหล่อหลอมด้วยโลหะต่างๆเช่นทองเหลืองทองแดงทองสมริดทองคําหรือปั้นด้วยดินซซเมนผงว่านผงเกสรดอกไม้ล้วนเป็นพระปฏิมาหรือพระเทียมทั้งนั้นเขาทําขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เตือนใจให้ผู้กระดาษไหว้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสด า, าเท่านั้นพระเทียมเหล่านี้ไม่สามารถจะคุ้มครองผู้กระทําความชั่วได้ ต่อให้เก่งกล้า ส, สามารถเท่าไรก็ไม่พ้นภัยพิบัติโยมคงเคยได้ยินข่าวว่าเสือนั่นเสือนี่ถูกตำรวจยิงตาอยู่เสมอเสือเหล่านั้นล้วนมีพระเทียมแขวนคอเต็มข้งนั้นแต่ในที่สุดก็ตายด้วยกระสุนปืนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ให้พระเทียมแกใครแล้วท่านจะให้พระอะไรแกผมละครับ อาตมาบอกแล้วว่าจะให้พระแท้ก็ต้องให้พระแท้พระแท้ก็คือตัวท่านเองใช่ไหมท่านจะเสนอให้ตัวเองใช่ไหมหญิงสาวกล่าวเราะด้วยความภาคภูมใจที่เข้าใจว่าตนรู้ดีว่าอาตมาจะให้อะไรไม่ใช่อาตมาไม่ใช่พระแท้เป็นแต่เพียงสมะติสง์หรือพระโดยส ม, มุติเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นพระแท้คืออะไรให้เสด็จทีเธอครับชายหนุ่มกล่าวขึ้นอย่างรำคาญเป็นทนอาตมาสะกดใจแผ่เมตตาแก่เขาแล้วก็พูดขึ้นช้าช้าชัดถ้อยชัดคําพระแท้มีสามองค์คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณอาตมาขอมอบพระแท้ทั้งสามองค์นี้แก่โยมแล้วผมจะรับเอาได้อย่างไร ชายหนุ่มทำงงงชายหนุ่มทำงงงงพระแท้ทั้งสามนี้โยมจะเอาแขวนคอไว้เฉยๆไม่ได้แต่จะต้องเอาไวในตนทีเดียวเอาไวในตัวทีเดียวคือโยมต้องทำตัวให้บริสุทธิ์เว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาทางใจถ้าโยมทำได้อย่างนี้โยมก็มีพระวิสุทธิ์ที่คุณองค์แรกอยู่ในตัว โยมต้องมั่นศึกษาหาความรู้โดยการศึกษาเล่าเรียนการฟังการอ่านการเข้าหาสนทนากับท่านผู้รู้จนมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าทําได้อย่างนี้โยมก็มีพระองค์ที่สองคือพระปัญญาคุณในตัวโยมต้องมีความการุณาประจําใจมีความสงสารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกโอกาสที่จะช่วยได้ ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่ามีพระองค์ที่สามคือพระมหากรุณาคุณในตัวในตนนมสาวทั้งสองนั่นนิ่งมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วฝ่ายชายก็พูดขึ้นพร้อมกับหัวเรายะอมแลพระแท้ทั้งสามองค์ของท่านนี้จะทําให้ผมคงระพันชาตรีปืนหญิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าได้อย่างไรอาตมาขอรับรอง ถ้าโยมมีพระแทนทั้งสามองค์บริบูรณ์ในตนเองแล้วอย่าว่าแต่ยิงไม่ออกจะไม่มีใครมายิงโยมเสียดิยซ้ำอย่าว่าแต่ฟันไม่เข้าจะไม่มีคนมาฟันโยมเลยชายหนุ่มกล่าวอย่างแค่นแค่นก้มลงกราบเพียงครั้งเดียวพูดว่ากราบลาแลครับแล้วทั้งสองลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่เหลียวหลัง อาตมามองตามเข้าไปจนลับหมู่ไม้พลางพูดกับตัวเองเบาๆว่าโลกไม่ต้องการพระแท้ต้องการแต่พระเทียมแล้วอาตมาก็หันไปมองดูระลอกน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เล่นพริ้วเข้ากระทบฟังแล้วก็หายไปตอนที่สามศาสนา คืออยาแก้โรคทุกข์ในที่สุดทิมหันตะระดูก็ย่างเข้ามาใบไม้ในอารามเริ่มกลายเป็นสีเหลืองและร่วงหลง่นลงสู่พื้นเป็นสายๆเมื่อถูกลมโชยพัดน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งงวดลงไปมาก ทำให้ระยะทางระหว่างแค่ไม้ไผ่ที่ตา ม, มานั่งพิจารณาธรรมกับชายน้ำห่างออกไปมากจนเทพมองไม่เห็นระลอกน้ำวิ่งเข้ากระทบฝั่งแต่ตามมาก็หันมาพิจารณาใบไม้ร่วงแผนซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ดีเช่นเดียวกับระลอกน้ำใบไม้เปรียบเหมือนชีวิตของสัตว ใบไม้กลายเป็นสีเหลืองเปรียบเหมือนชาราสายลมที่โหมพัดทำให้ใบไม้ร่วงหลุดจากกิ่งเปรียบเหมือนความตายรู้สึกว่าธรรมชาติได้ให้บทเรียนอันมีค่าแก่มนุษย์ไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างอากาศเริ่มร้อนขึ้นทุกวันที่ผ่านไปแต่ก็ร้อนเฉพาะตอนบ่ายเท่านั้นพอพระอาทิตย์ลับเลี่ยมเขาก็เย็นสบาย ตอนดึกอากาศยังคงหนาวอาตมาต้องคลี่สังคติออกห่มทุกคืนตอนชเช้ามืด อ, อากาศเย็นสบายที่สุดและเย็นต่อไปจนถึงเที่ยงวันเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยแล้วอากาศที่เชียงใหม่นว่าสบายที่สุดอย่างไรก็ตามร่องรอยแห่งขิมหันตรุดรูก็ปรากฏอยู่ทั่วไป ขอบฟ้าทุกด้านกลายเป็นสีแดงสลัวจนบางวันมองแทพไม่เห็นภูเขาบรรยากาศอบอวลไปด้วยควันไฟป่าตอนกลางคืนบางวันอาตมายืนอยู่บนทางจงกรมสามารถมองเห็นเปลเวไฟไหม้ป่าเป็นแนวยาวอยู่บนเขาเมื่อภูเขาและท้องฟ้าดำมืดเป็นเนื้อเดียวกันทำให้เห็นไปว่าไฟกาลังไหม้ท้องฟ้า แม้ฤดูร้อนจะร้อนและแห้งแลง้งก็หาได้ปราศจากสิ่งน่ารื่นรมเสียทีเดียวไม่เพราะถ้ำกลางแห่งความแห้งแล้งนั่นเองต้นพยอมหลายต้นในอารามได้ผลิดอกออกช่อสีขาวเป็นพวงห้อยย้อยลงมาร่วงพลูลงสู่พื้นเป็นสายสายเมื่อลมโชยผัดทรงกลิ่นอันหอมเย็นตลบอาราม ในเวลาเดียวกันต้นกลาบก็ออกดอกสีแดงและมองดูบานสะพรั่งเต็มต้นต้นกลหลิกรกออกดอกสีขาวชมพูชูยอดสวัยทําให้อารามดูคล้ายดินแดนอาทิตย์อุ่ดไถ ย, ยามดอกสากุรักบานความงามของดอกไม้ทําให้อาตามาแทบลลงความร้อนและความแห้งแล้งของฤดูขิมหันไปทีเดียว ฝ่ายฝูงจักจั่นก็ดูเหมือนจะเพลิดเพลินไปด้วยกับอาตมาเพราะเขาชวนกันร้องเพลงเสียงดังสนั่นอารามณตั้งแต่เช้าจับเย็นโดยไม่เหน็ดเหนื่อยแม้แต่กระนั้นก็หาได้เป็นที่รำคาญโสดหรือรบกวนสมาธิจิตของอาตมาไม่ตรงกันข้ามกลับส่งเสริมเสียอีก ถ้เาเขาร้องได้ทำนองเดียวกันทุกตัวในจังหวะสม่ำเสมอกลมกลื่นไปกับธรรมชาติอื่นๆพรตมาชอบฤดูร้อนชอบดอกไม้หน้าร้อนและชอบจักจัน่นไม่มีขณะใดที่จะรู้สึกเป็นสุขใจเท่ากับขณะที่เดินจมกลมไปมาท่ากลางกลิ่นอันหอมระรื่นของดอกพยองและเสียงเพลงของจักจัน่น บางครั้งถึงกับเผลอเข้าใจไปว่าต้นเป็นจักจันต์ตัวหนึ่งไปเสียแล้วในฤดูร้อนสังเกตเห็นว่ามีคนมาเดินเที่ยวในอารามเป็นพิเศษบางพวกก็เข้ามาสนทนากับอัตมาแต่ส่วนมากหยุดยืนดูอยู่ห่างๆครู่หนึ่งแล้วก็ผ่านไปมีพวกหนึ่งซึ่งเข้ามาสนทนากับอัตมาด้วยเรื่องอันเป็นสาระพอที่จะนำมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านฟัง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่กล่าวนี้เป็นชายหนุ่มสองคนหนึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาเพิ่งมาจากกรุงเทพเพื่อเยี่ยมบ้านในระหว่างมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียนอีกสองคนเป็นเพื่อนของเขาซึ่งช่วยบิดาค้าขายอยู่ที่เชียงใหม่ท่านครับเทศให้เพื่อนผมคนนี้ฟังด้วย เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองเพิ่งมาจากกรุงเทพเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาอะไรผมเทียงกับเขาด้วยแต่ก็แพ้เขาทุกทีหนุ่มคนนั้นพูดติดตลกเล็กน้อยอาตอมายังไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ก่อนอื่นก็ได้สํารวมจิตแผร่เมตตาแก่หนุ่มนักศึกษาก่อนแล้วถามว่า เป็นความจริงตามที่เขากล่าวหาหรือเปล่าล่ะคุณจริงครับหนุ่มนักศึกษาตอบสั้นๆด้วยน้ำเสียงแสดงความมั่นใจอาตมาไม่รู้สึกประหลาดใจแต่อย่างใดที่ได้พบกับคนไม่มีาศาสนาเพราะก่อนจะมาบวชอาตมาเคยประกาศว่าตนเป็นคนไม่มีาศาสนาเหมือนกัน อาตมาเพิ่งหันมาสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังด้วยเหตุบังเอิญขณะที่กําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อแปดปีมาแล้วเรื่องของอาตมาเป็นเรื่องยาวถ้ามีเวลาจะนำมาเล่าให้ฟังโอกาสหน้าตอนนี้ขอแต่เรื่องนักศึกษาคนนี้ก่อนอาตมาสงสัยเมื่อโยมกล่าวว่าโยมไม่นับถือศาสนาอะไร พระอาตมายังไม่เคยเห็นใครที่ไม่มีศาสนาอาตมาพูดขึ้นเพื่อหาทางในการทดสอบคํายืนยันของเขาเขายืนยันอย่างมนักแน่นว่าผมนี่แหละครับเป็นคนไม่มีศาสนาถ้าท่านไม่เคยเห็นมาก่อนก็จงดูผมเถิดผมนี่แหละคือคนไม่มีศาสนาคนแรกที่ท่านได้พบยังโยมยังจะไม่ใช่คนแรก เพราอาตามาตเชื่อว่าโยมยังนับถือศาสนาอยู่บางทีชาตินี้ทางชาติอาตามาอาจไม่มีโชคดีพอที่จะได้พบกับคนไม่มีศาสนาเลยก็ได้คําพูดของอาตามาดูเหมือนจะยั่วยุโทสะของหนุ่มนักศึกษาเข้าโดยอาตามาไม่ได้ตั้งใจเขายกมือเกาหัวแล้วก็พูดออกมาด้วยท่าทางฉุนๆว่า ท่านก็ไม่ยอมเชื่อผมอยู่นั่นเองผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นได้อย่างไรเขาไม่มีศาสนาจริงๆนะครับเขาไม่เคยไปวัดทาบุญไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลยเพื่อนเขาคนหนึ่งสนับสนุนแต่มาเลยพูดว่าเพียงเท่านั้นจะถือว่าไม่มีศาสนาไม่ได้ มีคนนับถือศาสนาเป็นอนนมากที่ไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยไหว้พระสวดมนต์วัดวาพระสงฆ์เป็นแต่เพียงสถาบันศาสนาการทำบุญให้ทานไหว้พระสวดมนต์เป็นแต่เพียงพิธีกรรมทั้งสองอย่างเป็นเพียงเปลือกนอกของศาสนาทันนั้นแกนแท้ของศาสนายังมีอีกพอตอมาพูดมาถึงตอนนี้ชายทั้งสามก็เริ่มนั่งก้มหน้าคิด นมนักศึกษาถามว่าวแก่นแท้ของาศาสนาคืออะไรครับแก่นแท้ของาศาสนามีอยู่บางคนอาจไม่นับถือสถาบันาศาสนาบางคนอาจไม่นับถือพิธีกรรมแต่ทุกคนต้องนับถือแก่นแท้ของาศาสนาไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเอแต่ผมได้ทราบ ว, ว่าพวกคอมมอนิสต์ไม่มีาศาสนาไม่ใช่เลยครับ หนุ่มพ่อค้าคนแรกถามขึ้นตรงกันข้ามคอมมิวนิสต์นั่นแหละคือคนที่เคร่งศาสนาที่สุดศา ส, สนาอะไรครับทั้งสามคนถามขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวกันก็ศาสนาคอมมิวนิสต์ละสิอาตมาตอบทาให้หนุ่มทั้งสามโพล้อขึ้นพร้อมกันเพื่อจะให้โยมเข้าใจแก่นศาสนาง่ายเข้าอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่า ในชีวิตยี่สิบกว่าปีของโยมนี้เคยประสบทุกข์หนักๆบ้างหรือเปล่าหลายครั้งครับทำไมล่ะครับแล้วโยมเอาตัวรอดพ้นจากทุกเหล่านั้นมาได้อย่างไรอาตมาถามต่อไปโดยไม่ตอบคำย้อนถามของเขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกคราเลยครับ ถ้าเป็นเรื่องเงินทองพ่อผมก็ช่วยแก้ปัญหาถ้าเป็นเรื่องการงานเพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือถ้าเป็นเรื่องเจ็บป่วยหมอก็ช่วยบรรเทาทุกข์โยมยังไม่เคยประสบทุกข์จริงๆประสบแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่คนอื่นช่วยแก้ให้ได้อย่างง่ายดายตาตมาพูดยังไม่ทันขาดคําเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็หัวเราะคิดคักขึ้นและกระเซ็นที่หูเขาเบา ทำให้เขาหน้าแดงขึ้นมาและยิ้มอย่างแห้งๆอ๋อเขาอุทานยาวๆเขาบอกว่าเคยครับทุกหนักๆที่ไม่มีใครช่วยได้ก็เคยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนิดหน่อยแต่ผมก็ภูมิใจที่เอาตัวรอดมาได้ดีมากดีมาก